สำหรับตอนนี้ก็จะขอเล่าความเป็นมาของผมต่อแล้ว ก, ก่อนแต่ต่อกันหน้าเทปเสียอาจจะขาดตกบกพร่องไปนิดหน่อยก็ขอย้อนหลังอีกนิดหนึ่งเพราะขนาดที่ป่วยหนักเมื่อท่านลงมาแล้วแล้วก็แม่ท่านแม่ภาพพระมาให้ดูจิตใจจับภาพพระ รู้สึกรักในพระพุทธรูคมากเพราะว่าท่านสวยความสวยของท่านอันนี้รู้สึกว่าสวยดีก็เันสมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่ขาโทษยังไม่ตายยังไม่ยามปกติสำหรับระเบียบปฏิบัติมาตอนเด็กๆในวันวานนี้เล่าขาดไปนิดหนึ่งคือว่าเวลาก่อนที่จะไปโรงเรียน ท่านแม่ต้องให้ไปสารกราบพระก่อนแล้วออกมาไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พี่ไหว้ญาติเท่าที่อยู่บนบ้านถึงเป็นญาติผู้ใหญ่กว่าเวลากลับมาจากโรงเรียนต้องเข้าห้องพระก่อนจะไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนไม่ได้ไปกราบพระก่อนแล้วออกมาไหว้พ่อไหว้แม่ระเบียบนี้ท่านสือเคร่งคัดมากท่านถือว่า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความสําคัญยิ่งกว่าท่านท่านสอนถ้ามีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแต่เด็กรู้จักรักศีลห้ามาตั้งแต่เด็กฉนั้นเรื่องการฆ่าสัตว์ตชีวิตของผมจึงเกือบจะไม่มีในชีวิตสําหรับสัตว์ประหลานมีไม่กันผมได้บอกแล้วนี่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนี้การฆ่าสัตว์ เท่าที่จำได้ว่าได้เจตนาเรื่องไม่ตั้งใจไม่รู้เกือบจะไม่ถึงสิตตัวเป็นนาศักุ์สิตตัวนี้รู้สึกว่าเป็นของมากสำหรับผมแล้วในเรื่องการทรงสินดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กในการเล่นกันโกหกกระหว่างเล่น พระพุทธเจ้าไม่ทรงถือว่าเป็นมุสาวาทเป็นการสนุกสนานก็เลยหมดเรื่องไปเรื่องสําคัญก็มีเท่านี้การรักการขมโมยไม่มีในชีวิตการดื่มสุราเม่ไรในการตั้งใจจริงไม่มีในชีวิตเป็นอนุวาเรื่องสําคัญผ่านไปตอนนี้มาเพ่งพระ ดูพระนานน่ะเข้าเขาหลับตาเห็นบ้างลืมตาเห็นบ้างในที่สุดไอ้ร่างกายที่บันเต็มไปด้ความเจ็บความปวดความเสียดขณะที่ภาวนาคำว่าพุโทโธแล้วเห็นภาพพระความปวดมันคลายไปทีละน้อยละน้อยละน้อยพอพระเริ่มมีสภาพแจ่มใสเห็นพระพุทธรูปโตขึ้นความเจ็บความปวดก็หายไปทันที เหมือนกับไม่มีอะไรเพราะว่าใจไปยุ่งกับพระสนใจว่าพระท่านองค์เล็กทำไมทั้นนี้องค์ใหญ่เคยเคยสวยขันไม่สวยไม่ถึงขนาดนี้เวลานี้ทำไมสวยมากต่อไปไม่ใช่ก็ปรากฏว่าภาพพระพุทธรูปกลายเป็นภาพพระสงค์ มีร่างกายสวยสวดทรงดีสวยเป็นกรณีพิเศษผมยังไม่เคยเห็นใครสวยเหมือนภาพพระองค์นั้นลักษณะรีลาสวยจริงๆทุกจริงทุกอย่างสวยสมหมดอินพีปากแดงเรื่อผมดำสนิกร่างกายตรมทุกส่วนไม่มีเหลี่ยมมือไม่มีริว้วไม่มีรอยหนังไม่มีรอยยน่นสวยสดงดงามจริงๆ ผิวกายของท่านเป็นสีเหลืองอ่อนกว่าก็เหลืองนิดหน่อยมีรัศมีโปรยพุ่งออกจากกายเป็นหกสีเหมือนพระอาทิตย์ทรงกรดแต่ว่าสวยงามกว่าพระอาทิตย์ทรงสดนับเป็นแสนเท่าท่านยิ้มเวลายิ้มก็ชื่นใจริมที่ปากแดงเรื่อยๆกำลังสวยใจก็เลยไปจับอยู่ที่พระมีความแปลกใจว่าเดิมทีเราดูพระพุทธรูป แต่ว่าพราะพุทธรูปองค์นั้นเข า, าค่อยกลายเป็นพระสรงฆ์ไปทีละน้อยๆจนย่าทั้งหมดองค์ท่านตอนนี้จิตใจก็จับอยู่ตรงนั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏกับร่างกายไม่มีความรู้สึกเลยเวลานั้นจิตใจเต็มได้วยความสุขสดชื่นความยิ้มของท่านยิ้มชื่นใจยอยู่ตลอดเวลาเลยให้สัญญาว่าดงพ่อยิ้ม พอเพลินกับหลวงพ่อยิ้มบนเดียวเดียวก็ปลากดว่าร่างอีกร่างหนึ่งมันมีขึ้นมีความรู้สึกว่าตัวผมเองนี่แหละเป็นร่างอีกร่างหนึ่งในร่างนั้นออกมาข้างนอกมันออกมาเมื่อไรก็ไม่รู้มองดูเจ้าร่างนั้นมันสิ้นลมปรานไปแล้วมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรน่ารัก เมื่อทรงอยู่มันเต็มไปได้วยทุกขเวทนาธรรดาท่า น, น, นหลายฟังแล้วจงนึกถึงอริยสัจว่ามันทุกเจ็บปวดจริงๆมันเป็นนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เที่ยงยังไงมันตายแล้วนี่แล้วก็เป็นทุกขังเวลาอยู่ก็เป็นทุกขจากการกินการบริหารการถูกบังคับบัญชาการเรียนหนังสือแล้วก็ ในเวลาปล่วยไข้ไม่สบายทุกขเวทนาก็สะฮัาอนัตตาเวลานี้มันตายไปแล้วผมก็ยืนปลงเจ้าร่างนั้นโดยไม่มีความสนใจอะไรคิดรังเกียจตัวมันเบามองตัวกายใสมันแก้วเครื่องประดับแฝลพราวระเพนินจินดามีทองเป็นพื้นสีทองกระจาย สะเเพรสั้นไปมองเห็นทั่วทั้งกายมองดูกายเป็นทองไปหมดมีเชิดได้เข้าไปสวมเครื่องทรงมีนี่ความจริงเมื่อพิจารณากันแล้วพอตายแล้วอะไรสักนิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ร่างกายเป็นที่รักก็นําไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็นําไปไม่ได้สร้อยคอที่สวมอยู่ แว้นที่นิ้วนางก็สวมอยู่นฬิกาเรือนทองแล้วก็มีสายทองสายนาฬิกาเป็นทองก็คาดอยู่แต่ได้ว่าเวลาตายนําไปไม่ได้เลยแต่ว่าเครื่องประดับที่นําได้ใหม่เนี่ยมันสวยกว่าเก่าจนกระทั่งไม่มีความอะไรใดอยากในชาทรัพย์สมบัติเก่าร่างกายก็ดีกว่ามันมีการคล่องตัวกว่าขยับท่าขะยัด ท, ทางมันก็รู้สึกว่า มีความเบากว่าเห็นพระท่านยิ้มในหนังสือไม่ได้เขียนไว้เวลานั้นกำลังป่วยมากก็เข้าไปหาพระกราบท่านลงไปที่เท้าท่านอยู่ในลักษณะนั่งห้อยเท้าท่านยิ้มแล้วก็มือลูบหัวถึงหลังสร้างความชื่นใจให้ปรากฏแล้วก็ปรากฏเป็นพระพุทธกุทวาต สัมภาระสีรูละภัยอันตรายใดๆย่อมไม่มีกับท่านกับเธอความสุขเข้ามาถึงเธอแล้วต่อไปจะพบความสุขในที่สุด ข, ของความสุขคือจะสุขจบกิจที่เรียกว่าจบกิจหมายความว่าสุขใดๆที่จะสุขยิ่งกว่านั้นไม่มีในวันหน้าแล้วก็จะทรงแยมเพรอดหายไป ตอนนี้ทักษิณได้พระองค์นั้นเหลือแต่พระพุทธรูปตอนนี้เองก็อยากจะมาลาท่านแม่อยากจะลงไปข้างล่างเพราะตามระเบียบจะไปทางไหนก็ตามถ้าอยู่ข้างบนจะลงข้างล่างต้องขออนุญาต ก, ก่อน <c oughs> อยู่ข้างล่างจะขึ้นมาข้างบนก็ต้องแจ้งให้ร้ทราบก่อนไปหาท่านแม่ท่านลงุงพูดกับใครก็ใครก็ไม่สนใจจับตัวเขยา่าเขาก็ไม่รู้ เป็นอันว่าในเมื่อไม่มีใครรับศราบ ก, ก็เลยถือโอกาสเดินลงจากเรือนไปยืนอยู่ที่ทางหลังบ้านเวลานั้นได้บอกข้าท่านแล้วว่าเป็นเวลาของไอวาอ่าตการโรคระบาดหนักบรรดาสัตว์เลียคนตายกันคืนตายกันทุกคันเสียงสุนัขเห่าหอนเยือกเย็ยนทุกคืน เป็นอันว่าคนตามหมู่บ้านต่างๆตั้งรวมตัวกันบางบ้านมีคนน้อยอาศัยความหวาดเสีวก็ต้องมาอยู่รวมกับคนที่มีบ้านมีบ้านที่มีคนมากอ่อยบ้านทิ้งไว้ทุกคนหวาดกลัวแต่สิ่งที่ไม่กลัวผีก็ย่อะมีอยู่พวกเดียวคือพวกขโมยช่วยโอกาสในการขโมยต่อไปมันเมื่อจะของบ้านเสิร เมื่อเดินออกไปทางหลังบ้านก็เห็นคนประมาณสองร้อยคนเศษโดยประมาณเดินมาในทางสายนั้นมาจากทางทิศใต้พอเขาเข้ามาถึงก็ปรากฏว่ามีคนร่างใหญ่สูงใหญ่มากเดินนำหน้ามาหนึ่งขนาบข้างสองคุมด้านหลังหนึ่งเป็นสี่ทุกคนมีบัญชีอยู่ในมือ เอคนใหญ่มาถึงตอนผมเดนอยู่ผมเข้าไปยกมือไหวตามจริยาเดิ ม, ท, มท่านก็มองท่านผู้นั้นมองผมอย่างสงสัยที่สุดมองตั้งแต่เท้าจะตลอดทิศะมองตั้งแต่ทิศะตลอดเ ท, ท, ท้าแล้วผมก็แปลกใจว่าเวลานั้นผมแต่งตัวน่ะมันมีเชดดาสวมอยู่ด้วยมันมาจากไหนผมก็ไม่ทราบแต่ผู้นั้นเขาไม่มีเชดา แล้วจริง้ถามท่าน่่าาทนลวงว่าคุณลวงครับคุณลวงจะไปไหนกันไปกันมากแต่ก็เปิดหนังสีอเอามาตรวจแกบอกว่าหนูหนูไม่มีชื่อในบัญชีนี้ไปด้วยกันไม่ได้ถามว่าคุณลวงจะไปไหนแล้วครับผมต้องการรู้ท่านบอกเรื่องการรู้ไม่มีสําหรับหนูหนูเข้าบ้านประเดี๋ยวคุณแม่จะคอยแกก็จูงมือมาที่บันได แกปล่อยไว้แกก็เดินนําขบวนต่อไปผมก็กลับออกไปอีกถึงคนคุมกลางและคนหลังก็ทำแบบนั้นเขาทำอย่างเดียวกันแล้วเดินเลยป ร, ประมาณสักหนึ่งกิโลโดยประมาณไม่แน่นอนนักผมก็แปลกใจว่าอีตาพวกนี้นี่มันไปทางไหนกันทำไมจะบอกเราสักนิดหนึ่งไม่มีไม่ได้หรือ นิสัยของผมเป็นคนชอบคิดแล้วก็เป็นคนชอบพิสูจน์อะไรก็ตามที่เขาบอกว่าดีเนี่ยผมจะต้องทําอย่างนั้นให้มันเกิดผลดีให้ได้แล้วสิ่งใดก็ตามถี่เขาบอกว่าเป็นของลี้ลับผมจะพยายามค้นคว้าให้พบให้ได้นิสสายนี้มามาตั้งแต่เด็กสิ่งใดถ้าก็ปกปิดอยู่ในหีบในหอ่อจะต้องพยายามรื้อมาดูให้ได้ ตอนหน้าคนดูไม่ได้แล้วก็ต้องรื้อตอนกขาลับด้านหลังเวลาก็าลับหลังหรือเวลาที่เขาไม่เขา้าเผอกันเป็นอันว่าเป็นคนนิสัยมีนิสัยชอบพิสูจน์เช่นั้นเมื่อตาลุงพิสิคนเป็นนําขบวนคนสองร้อยคนเสรและในจํานวนคนทั้งหลายเหล่านั้นที่ผมเคยรู้จักมามีหลายคน แต่ถ้าว่าได้ยินข่าวว่าตายไปแล้วสองสามวันมาในขบวนนั้นด้วยก็สร้างความสงสัยมากจึงได้พยายามติดตามไปห่างๆเดินไปในทุ่งกว้างไม่นานนักก็เข้าป่าละเมาะเล็กๆเป็นป่าไผ่เดินทางคดลดเลี้ยวไปตามปกติไม่ช้าก็เข้าป่าใหญ่มีวูเขาเล็กๆ ขึ้นเขาลูกนี้ลงจากเขาดัานโน่นขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่หลายลูกจนกทั่งไอ้เขาที่มันสูงก็เป็นระยะระยะในที่สุดก็ไปเจอกเขาลูกหนึ่งมันยาวที่สุดสูงที่สุดเรียกว่าเกือบจะสูงเทียมเมตรแล้วเลยแม่ก็ไม่ทราบเวลานั้นมันไม่มีเม่ ที่ตาลุงคนหัวหน้าแกก็ขึ้นไปกลางบัญชี <c oughs> กลางบัญชีคนทั้งหมดเขาก็เดินผ่านไปเมื่อหมดทุกคนแกก็บอกว่าครบตามบัญชีพอดีผมก็โผล่ขึ้นไปพอดีเมื่อผมขึ้นไปรู้สึกว่าตาลุงคนใหญ่และสีลุงนี่แหละต่างคนต่างตกใจกันหมดแกถามว่านหนูมาทาไมตามลุงมาทำไม ทีงจะได้กราบเรียนเก่ ว, ว่าคุณลุงคุณับในเมื่อผมถามคุณลุงว่าคุณลุงไปไหนกันคุณลุงไม่ยอมตอบผมก็มีความสงสัยว่าเพราะอะไรคุณลุงจึงต้องปิดผมในเมื่อคุณลุงปกปิดผมอย่างนี้ผมก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการที่ลุงมาลุงไปคไปไหนกันมาไหนกัน มาทำไมกันผมก็ต้องรู้เพราะผมไม่คณอยากรู้ตอนนี้คุณลุงจะบอกผมได้ไหมว่าคนพูดนั้ น, นเขาไปไหนเห็นเขาเดินลงเขากันเป็นแถวด้านเชิงเขาด้านโน้นมีเจ้าหน้าที่คอยรอรับอยู่เจ้าหน้าที่ตัวใหญ่กำยำมากถือสันธาธหน้ากลาหน้าตาบูดบึง้ง หน้าตาแกไม่ยินแย้มแจ่มใสดูแล้วเป็นลักษณะของคนโดูจริงๆคุณลุงก็บอกว่าเขาเอามาสอบสวนหลานที่ไปดูอาคารเห็นอาคารสามหลังมีคนนำกลุ่นกลุ่มคนเข้าไปแล้วคนกลุ่มเก่าออกมาคนกลุ่มใหม่ก็เข้าไป คนที่ออกมาแล้วก็เดินไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นทางที่เจียเรื่อนร่มเรื่อน อ, อยู่ชัว่วขณะต่อไปสุดไปไกลามากท้องฟ้ามีแสงไฟจับคุณลุงก็บอกว่าคนพวกนี้หลานเคยลงนรกมาแล้วแล้วมาสิ่งกดข้องกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปสร้างความชั่วใหม่ เขาก็ต้องไปตามตัวมาลงโทษจึ่งได้ถามคุณหลวงบ้าตามประวัติที่คนเขาตายเนี่ยที่เขาเป็นคนดีก็มีดังนั้นเลยบอกว่าจริยาภายนอกถ้าจจะแสดงดีได้วาจาที่เขากล่าวไปคนเรามากักจะเห็นคิดว่าดีแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆบางคนเป็นคนน่าเลือใจเสือ คนประเภทนี้มีความโหดร้ายอยู่ในใจเอารัดเอาเปรียบเพื่อนทำมันดาเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันให้มีความทุกข์อย่างประเภทเจ้านี้เอาดอกทบตน้นยาหนี้เป็นตน้นพรือว่าทำสัญญากู้กันให้ดอกตามกฎหมายแต่ว่าเลือแท้จริงๆดอกเกินกฎหมายตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ จะไหว้ฟังหลายเรื่องก็เรื่องเขาปานาติบัติเรื่องเขาสินห้าหรือว่าเขารบในพระรัตนตรัยบอกคนประเภทนี้เป็นค น, น, นหน้าเนื้อใจเสือที่ว่าเห็นว่าดีนะความจริงนะเขาไม่ดีใจเขาเลวคนจะดีหรือไม่ดีมาอยู่ที่ใจจะได้อขออนุญาตว่าคุณลงขอรับผมอยากจะไปพบอยากจะไปดูข้างล่างวาเวลาเขาสอบสวนเขาทำยังไง แล้วคนในที่นั้นมองดูแล้วเกินกว่าสองหมื่นคนโดยประมาณอยากจะทราบว่าเขาสอบสวนกันยังไงการลงโทษจะยังไงที่เขบอกเขาไม่ได้หลักลานในเขตแดนอันโน้นคนที่ภาวนาว่าอารหังก็ดีภาวนาว่าพุโทโธก็ดีแล้วก็มีความเคารพในพระรัชนาฏัยเคารพในศีล มีความกตัญญูรู้คุณต่าบุคคลผู้มีคุณและมีอภัญญยายยกรรมมีอาการอ่อนน้อมเคารพในบุคคลผู้เจริญกว่าบุคคลที่เจริญกว่าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมตรัสไม่มีสามอย่างคือ ว, วททัยวุฑโธเจริญโดยวัยแก่โดยอายุชาติวุฑโธเจริญโดยชาติอย่างเครือจั์ เนื่อคุณอวุธโธเจริญในคุณคือความดีอย่างลุงพ่อปานท่านเป็นวยายุธโธในะแก่คนบางคนแต่บางคนแก่ก่อท่านที่เขาก็รบแต่งก็ใช้คุณอวุธโธเป็นสำคัญคือมีคุณงามความดีมากคุณลุงบอกว่าท่านหลานลงไปด้านนอกลุงก็จะถูกลงโทษ เลยกราบเรียนแท้บอกว่าคุณลวงไม่ได้นําผมไปพรอนิย่าไปชมแกก็บอกไม่ได้ ห, หลานมันเป็นการผิดระเบียบระเบียบที่นี่เคร่งขันกว่าเมืองมนุษย์มากงั้นถ้าว่าหลานลงไปเมื่อไหร่ทูลงุงโทูลงโทษทันทีจะได้ถามว่าคนประเภท น, นี้เขาสอบสนแล้ว้าไปไหนคุณลวงก็ชี้ให้ดูบอกว่าโนู่นยังไง ดินแดนที่มีแสงไฟลุกโชนเขาเรียกกันว่าดินแดงของนรกความจริงไม่ได้อยู่จุดนั้นถ้าจะมองกัมันย่อยเขาเวลานี้เห็นว่าจะไกลออกไปประมาณสักยี่สิบกิโลเมตรถึงสามสิบกิโลมันเป็นทะเลเพลิงใหญ่จริงๆหาที่สุดไม่ได้มีกว้างไล้ใหญ่บริเวณใหญ่มาก เป็นอันว่าคนทั้งโลกนี่ลงไปก็คงจะไม่เต็มท่านบอกว่าในที่นั้นเป็นที่ลงโทษของคนผู้สร้างความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคารพในศีลห้าประการมันจริยาที่หลานปฏิบัติอยู่นี่เป็นจริยาดีแล้วนี่สองสามลุงก็นั่งมองมองหน้ามองหลังมองก็สงสัย ถามคุณลุงมองอะไรเขารับเจก็เลยบอกว่าหลานการแต่งกายแบบนี้มีรูปร่างแบบนี้เขาเรียกกันว่าพรหมนี่จะอาการของหลานนี่หลานเป็นพรหมลงไปในเขตนั้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลงไปในเขตเขานารกไฟนรกเขาจะดับ หลานจนจําไว้ว่าคําสอนของท่านแม่มีประโยชน์มากตอนนี้ก็รู้สึกทึ่งใจว่าแกรู้ได้ยังไงถามว่าคุณลงรู้ได้ยังไงคุณลงก็นำบัญชีสีสวยนั่งสือก็สวยแคาบับก็สวยมาเปิดหมับก็ให้ดูเปิดปั๊บถึงปุ๊บนั่นก็บอกว่าหลานนี่ยังไงล่ะ ประวัติความประพฤติความดีของหลานมีอยู่ในนี้นี่เขาจะเอาคนไหน เ, นเขามีบัญชีไม่เอากันแล้วมีประวัติครบถ้วนเรื่องนี้ก็ต้องคิดบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังวความจริงคนที่มีความดีนี่หรือความชั่วก็ตามจะนึกดีจะนึกชั่วไม่ได้พ้นวิสัยของผี ที่เขจดไปหมดแล้วคุยกันต่อไปบอกคุณลุงขอรับผมอยากจะไปเที่ยวและอยากจะมาเที่ยวบ่อยๆทําไมจะมาได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกินพิสัยที่ผมไม่เคยคิดท่านแนะนําให้กลับก่อนว่าถามว่าถ้าผมกลับไปแล้วผมเข้าไปในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสปกปรกที่ผมรังเกียจผมจะไม่เข้าได้ไหม จะไม่ยอมกลับจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งทั้งที่มันมีความสุขเพราะร่างกายอันนั้นพังเกลื่จริงๆมันสกปรกสิ้นดีคุณลุงก็บอกว่าไม่ได้หลานวาระมันยังไม่ถึงเมื่อวาระถึงแล้วหลานก็จะออกไปได้โดยไม่ต้องกลับแต่เวลานี้วาระมันยังไม่ถึงหลานจะต้องไปก่อน พอฟังคุณหลวงพูดเท่านี้ก็สะท้อนใจเพราะว่ามีความรังเกียดในร่างกายในขณะที่อยู่ในร่างกายต้องกินต้องนอนต้องเดินต้องทํางานต้องเหนื่อยทุกอย่างจะไปไหนก็ไปไม่สะดวกเวลานี้ร่างกายมันคล่องร่างกายมันสวยกว่ามีกําลังวังชาดีมีความเบาเมือจะไปทังไหนเดินมาระยะทํานานแสนนนก็ไม่รู้จักเหนื่อย แต่ว่าลุงก็ยืนยันว่ายังไม่ถึงวาระนี่หลอนอยู่ไม่ได้เลยถามว่าถ้าผมต้องกลับเข้าไปสู่ร่างเดิมถ้าผมมีความประสงค์อยากจะมาดูในที่นี้จะมาได้ไหมคุณลุงก็บอกว่าต่อจากนี้ไปกําลังใจของหนูมีความเข้มข้นมากหลังจากนี้ไปจะมาเที่ยวในแบบส บ, สบาย และการมาก็ไม่ต้องแบกกายนี่มาเป็นในเพียงว่าภาวนาว่าพโุทโธธรรมโมสังโฆตามที่แม่สัง่งตั้งใจไว้ก่อนว่าจะมาที่นี่เมื่อจิตเข้าถึงจุดมีกำลังสมบูรณ์ก็จะมาได้ทันทีพ่อคุณลุงผู้ใหญ่ทึงนพูดอย่างนั้นก็ดีใจ้วยกราบเรียนท่านว่าคุณลุงขอรับถ้าผมมา คุณลุงขนากรุณามาคบผมที่นี่ได้ไหมคือว่าผมมีความสงสัยอะไรจะได้ถามคุณลุงคุณลุงบอกว่าพร้อมหลานลุงพร้อมแล้วที่จะต้อนรับที่นี่ลุงหลานนึกถึงลุงเมื่อไรลุงรู้ทันทีแล้วก็หลานมาที่ตรงนี้ลุงก็จะมาพูดด้วยจะมาคุย ด, ด้วยจะมาชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจ ว่าใครทำกรรมอะไรมีความทุกเวศนาใดๆไอ้ดินแดนนรกที่มาอยู่ไกลแสนไกลที่มองเห็นอยู่โน่นลุงสามารถจะบังคับให้มันมาใกล้ๆให้หลานดูได้แบบสบายๆนี่เป็นคำสัญญาที่ท่านลุงผู้ทรงคุณความดีให้คำแนะนำก็ผมเองก็ยังรู้สึกความดีของท่าน แต่ถ้าว่าคุณลุงบอกว่าหลานเวลานี้มันหมดเวลาเสียแล้วนะทั้งนี้ก็เพราะว่าหลานออกมาจากร่างตั้งแต่เช้าเวลานี้มันก็ประมาณตีสองแล้วหลานจงกลับก็เลยบอกท่านว่าผมไม่สามารถจะกลับได้เพราะจาทางไม่ได้ท่านจึงบังคับให้แต่คนเดินหลังว่าเองไม่ระวังหลังปล่อให้เด็กเดินตามมา ยังเอาเด็กไปส่งที่คนหลังแกก็ควา้าได้สองขาเวียงขึ้นบา่าวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาพอมาถึงประตูบ้านแกก็พุ่งตัวกระไปเสียงแกบอกว่าแกบน่นเพาไอ้หายเจ้าทำกูลำบากด้วยเท่านี้แล้วแกก็หายไปแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลาย้วท่านพยโยคาวจรเรื่องราวในเมื่อผมตาย สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ตะเพียงธรนี้เพราะเวลาหมดแล้วขอทุกท่านผู้รับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี